มีลุงคนหนึ่งนะระหว่างที่เดินไปซื้อของที่ตลาดก็เจอหมาน้อยตัวหนึ่งนะดูเป็นหมาเร่ร่อนมอมแมมสกมกมากแล้วก็ผอมด้วยแกสงสารนะก็เลยเอาขน ม, มให้มันกินเขามันดีใจย่างเลยนะแล้วก็ท่าทางนี้ก็ดูเป็นหมาที่เชื่องลุงเห็นแล้วก็สงสารนะ ก็เลยอุ้มเนี่ยไปที่บ้านแล้วก็ขัดสีสวิวันอย่างดีเลยเพราะว่าหมาซกมกมากเลยเสร็จแล้วก็ให้อาหารแล้วก็เลี้ยงดูเขาอย่างดีเลยหมาก็เชื่องนะเวลาลุงทําอะไรเนี่ยหมาก็มาเยี่ยมนะเยี่ยมหน้าเงยหน้ามองมอง เหมือนกับว่าสนใจตัวหลังเนี่ยก็ผูกพันกันมากนะ่ยรว่าลุงเนี่ยแกก็อยู่คนเดียวที่บ้านภรรยาแล้วก็ลูกก็เสียชีวิตไปละแถมแก ก, ก็เกษียณมาได้หลายปีก็เลี้ยงมาตัวนี้เหมือนลูกเลยนะเอาไปนอนบนเตียงด้วย ถ้าหมาก็เหมือนกับแสนรู้นะเหมือนกับรูปภาษาคนนะวันนั้นเนี่ยก็เลยกลมเกลียวกันมากเลยนะทั้งลุงแล้วก็หมาตัวนี้วันนึงเนี่ยพาหมาไปเดินเล่นนะไปที่ตลาดผ่านตลาดก็ไปเจอประกาศนะประกาศสุนัขหาย ภาพในประกาศนีก็คือหมาตัวนี้แหละชื่อโจอีในประกาศนี้ก็ระบุเสร็จสับนะว่าถ้าเจอหมาตัวนี้ให้ช่วยแจ้งเจ้าของด้วยจะมีรางวัลลุงนนี้พอเห็นประกาศนี้แกก็คิดหนักเลยนะ จากที่เคยร่าเริงเพราะว่าหมาตัวนี้มาชุบชีวิตให้หายเหงาแกเริ่มคุ้นคิดว่าจะทำยังไงดีใจหนึ่งก็รักหมาตัวนี้อยากจะให้อยู่นะคู่กันไปตลอดแต่ว่าอีกใจหนึ่งเนี่ยก็นึกถึงเจ้าของนะเจ้าของนี่ก็คงจะรักหมาตัวนี้มาก สุดท้าก็ตัดใจนะโทรศัพท์เรียกเจ้าของให้มารับโจอี้พอนัดหมายวันเวลาเสร็จนี่โอ้เจ้าของนี่มามาทั้งบ้านเลยนะพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกชายดีใจมากนะที่จะได้พบโจอี้แล้วก็พาโจอี้กลับบ้านไม่ได้มาแค่คนเดียวองมากันทั้งบ้านเลย ชายชาลานี่ก็เรียกว่าหยิบยื่นโจอีอ้เนี่ยให้กับเจ้าของเนี่ยด้วยน้ำตาเลยเพราะว่ารักเหมือนลูกมากและพอโจอีอ้ไปเนี่ยนะเขาก็เหงาเลยนะชืะ่อกระมังเหงาอาจจะเหงายืนกันเดิมนะแต่ก่อนก็เหงาอยู่แล้วนะเพราะไม่มีภรรยาไม่มีลูกอยู่บ้านเหมือนก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกสูญเสียไป ใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเราตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าโจขึคนมีเจ้าของอยู่แล้วและเจ้าของทั้งบ้านคงจะเศร้าใจมากนะที่ว่าโจ伊หายไปจากบ้านมีวันหนึ่งเนี่ยขณะที่กำลังหงอยเหงาอยู่นะก็ได้โทรศัพท์จากเจ้าของเจ้าของเนี่ยเชิญชวน คุณลุงคนนี้ไปกินอาหารเย็นที่บ้านช่วงน้ำกระเพื่อนนะใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีนะก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองและปรากฏว่าไม่ใช่แค่จัดอาหารเลี้ยงกับคุณลุงคนนี้เท่านั้นนะแต่นับแต่นั้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างลุงกับเจ้ากับครอบครัวนี้ก็ เริ่มนั่นแฟนขึ้นจนกทัางกลายเป็นครอบครัวใหม่ไปเลยครอบครัวของโจอี้นี่ก็รับคุณลุงเนี่ยมาเป็นเหมือนกับผู้อาวุโสในบ้านในครอบครัวก็กลายไปว่า น, นอกจากมีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีปู่ด้วยหรือมีตาด้วยก็เป็นนั้นว่าแม้จะเสียโจอี้ไปนะแต่ก็ได้ครอบครัวใหม่มาแทน เรื่องนี้มันก็สอนใจดีนะว่าการให้เนี่ยมันสามารถจะทำให้เราได้ด้วยคนมักจะคิดว่าเมื่อให้เนี่ยก็คือเสียแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราให้สิ่งหนึ่งไปนะแต่เราก็ได้อีกสิ่งหนึ่งมานะคือความสุขเริ่มแต่การให้นะความสุขกับโจอี้เนี่ย ตอนที่เขาเป็นหมาจรจัดเนี่ยพอเลี้ยงดูเขาให้ความรักเขานะโจอีอ้ก็มอบความรักกลับคืนมานะไม่ได้ให้โจอีอ้อย่างเดียวนะโจอีอ้ก็มอบความรักความสุขให้กับคุณหลวงคนี้ด้วยแล้วมาถึงคราวที่แกต้องสละโจอีอ้ไปให้กับครอบครัวที่เป็นเจ้าของเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได่เป็นการสูญเสียทีเดียวนะพอสุดท้ายก็ได้ ได้อะไรนะได้ครอบครัวใหม่อันนี้มันเชื่อเห็นเลยนะว่าการให้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการสูญเสียนะไม่ว่าเราจะให้เงินหรือว่าให้อะไรก็ตามแต่ว่ามันนํามาซึ่งเอ่สิ่งอื่นที่มีคุณค่ากลับมาด้วยนะอันนี้พระเจ้าก็ตัดไว้แล้วนะว่าผู้ให้ความสุขย่อมใจแล้วความสุขการให้นี่ไม่ใช่หมายถึงการสูญเสียนะแต่หมายถึงการได้กลับคืนมา แล้วก็สิ่งที่ได้มาอาจจะมีค่าไม่น้อยหรื อ, อา จ, จะยิ่งกว่าสิ่งที่ให้ไปก็ได้นี่เป็นความสุขนะเป็นเรื่อความสุขจากการให้มีเด็กว้ยรุ่นคนนึงนะไปเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบ า, ราลรอชวิถีที่แรกก็ไปเพราะว่าอยากจะทาพอร์ตนะจะได้เข้าเรียนหมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น แต่ต่หลังพอไปเป็นจิตอาสาได้หลายครั้งเนี่ยพอถึงวันที่จะต้องเลิกนะครบกำหนดจากการไปจิตอาสานี่แกก็เล่านะว่าเนี่ยหนูเนี่ยเคยรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นนะต้องไปช่วยเหลือใครเลยก็ได้เพราะถึงไม่ถึงเราไม่ช่วยเหลือใครเราก็มีชีวิตตามปกติได้แต่หลังจากเป็นจิตอาสาก็ทำให้พบว่าการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแม้จะ แม่จจะทําให้ใช้ชีวิตตามปกติหรืออยู่รอดได้แต่ความสุขที่ได้มันต่างกันหมายความว่าพอเป็นจิตอาสาแล้วเนี่ยโอ้มันให้ความสุขแก่เธอมากเลยนอกจากทําให้เธอใจกว้างขึ้นอดทนฟังคนอื่นได้มากขึ้นแล้วยังทําให้เธอมีความสุขด้วยสุขกว่าตอนเป็นสุขกว่าตอนที่ไม่ได้เป็นจิตอาสาไอ้ตอนนี้ไม่ไม่ได้เป็นจิตอาสาเนี่อาจจะสบายนะแต่ว่าความสุขใจเนี่ยมันน้อยกว่าตอนที่ไปเป็นจิตอาสา นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากนะว่าการให้เนี่ยให้ไม่ว่าจะให้แบบไหนก็ตามวดทั้งการให้แบบจิตอาสานี่มันอายทำให้เสียเวลาไอาทำให้เหนื่อยนะแต่ได้ความสุขที่มีค่ายิ่งกว่าการที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเลย